ปวดรู้แต่ว่าปวดที่จะดูตรงๆได้เราต้องการตัวปวดนั่นเป็นที่ศึกษาเรารู้ว่าปวดที่ไม่เป็นอันตรายเราก็เข้าไปดูมันตรงปวดที่เกิดจากการอาการของการทำความเพียรเช่นยกมือมากๆมันปวดหัวไหล่เดินนานๆมันปวดขาอย่างนี้นะมันไม่ใช่ปวดแบบไออาการประจำมันปวดเพราะการกระทําถ้าหากว่าเราต้องการศึกษามันทนดูมันไปเรื่อยๆแต่ไม่เป็นอันตรายไออย่างนี้ก็ถือว่าเราเรา เอาตัวปวดนั่นะเป็นเครื่องมือในการศึกษาจิตของเราว่าจิตเราจะทนได้แค่ไหนเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือไปแต่ถ้าหากว่าเราดูนตรงๆโดยที่ความปวดนั้นมันมันยังมีอะไรมีอัตตาอยู่ในนั้นเราเราคิดว่าเราปวดเราจะสู้กับมันอย่างเงี้ยทั้งๆที่มันปวดบังคับจิตให้สู้กับมันอันนี้มันก็จะเป็นตัวสมุดให้เกิดทุกข์ได้ เพราะฉะนั้นการดูตรงๆเนี่ยดูในลักษณะไหนลักษณะที่เราต้องการศึกษามันหรือต้องการที่จะสู้กับมันอ่าต้องการสู้กับมันเป็นอาตาัตราฝืนธรรมชาติเพราะฉะนั้นคนจะบำบัดแก้ไขไปอ๋อตัวนี้ตัวนี้ร่างกายของเราเรียกว่ามันแปลปรวนะ น, นะก็ได้คนแก้ตามเหตุใช่ไหม่ขาบอกคนจะดูแลรักษามันเพราะมันเป็นอาการของกายเพราะว่าทุกต้องอข้างกายนี้ต้องบำบัด นะแต่ทุกทางใจคือทุกที่เกิดจากอุปทานเนี่ยต้องต้องกาหนดรูด้และกำหนดละแต่ทุกทางใยต้องบาบัดถ้าหากว่ามันเป็นเหตุให้เกิดใจของเราเนี่ยเป็นเหตุให้ทางใจของเราเกิดทุกข์ด้วยร่นะางกายของเราถูกบีบคัน้นทุกขเวทนาจัดเราไปอาเอามันเป็นตัวศึกษานั่นจิตของเราไม่เข้มแข็งพอมันก็จะทำให้เกิด สมุทไทยทําให้เกิดการบีบคั้นความไม่สบายใจก็เกิดแต่เราต้องตรวจสอบให้ดีว่าร่างกายที่มันวิดพิลิตแปรปวนเพราะอาหารเพราะอากาศเพราะโรคประจำตัวอะไรก็ตามควรจะหาทางบำบัดตามตามตามธรรมชาติของมันนะนะให้มันเวทนาเบาบางเวทนาถ้าไม่จําเป็นต้องเป็นที่ศึกษาก็ควรทําให้เบาบางเอาไว้เพราะเวทนาที่มันบีบคั้นมากๆเนี่ย มันเป็นเหตุให้จิตของเราถูกบีบคั้นแล้วก็เศร้าหมองได้ปัญญาไม่เกิดแต่ถ้าหากว่าเราบําบัดแก้ไขทุกข์เวลใทางกายได้เวทนาเบาบางเราก็จะทำให้จิตเนี่ยปลอดโปร่งแต่ท่านมุ่งที่จะละหรือขจัดคือทุกที่เป็นสมุทัยที่เกิดจากอุปทานคือทุกทางใจที่ไปสำคัญมั่นหมายทุกทางกายว่าเป็นเดาใช่มอันนันเป็นสมุ ท, ทยัย แต่เราเห็นทุกทางกายว่ามันเกินจําเป็นแล้วมันทําให้บีบคั้นต่อเนื่องทําให้ดหวย ร, วยรยุนแรงไม่สบายเนี่ยเป็นเหตุให้จิตของเราแ ป, ปลีย่ยนวนจิตของเรากระสับกระส่ายไม่สบายลาักษณะอย่างนี้ก็ต้องบําบัดด้วยนะถ้าปล่อยไว้ก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจอันนั้นก็เรียกเป็นเป็นวิบาก <laughs> เป็นวิบากกรรมสังสมอไม่แล้วก็ควรจะพักความทุกข์ ก็พิถีพิถนาบางอย่างอาจจะไม่ต้องกิน ย, ยาเพียงแต่พักผ่อนก็หายแล้วก็รู้นะรู้กําลังของกายถ้าเราไปฟื้นอ๋อไม่ก็เขาเอามาก็บอกคนไหนไม่สบายมาก็บอกให้นอนเลยนะขนาดว่าความคนที่ง่วงนะไม่ได้นอนไม่ได้หลับเนะี่ยบอกให้นอนเลยแะละวันนั้นมีอยู่ที่เอเอี่ยมีหมอคนหนึ่งชื่อหมอมนตราแกแบบว่าจะบอกโอ้อาจารย์ผมปวดเหลือเกินผมต้อง ต้องนอนทำเออ น, นอนนะถ้าหลับทาเออลับก็หลับไปเลยนะให้มันหายเลยค่คยตื่นขึ้นมาค่อยทาใหม่อันนี้เรื่องของร่างกายเนี่ยเราจะต้องอนุโลมตามธรรมชาติของคนคนนั้นนะเพราะเรามีวิบากอยู่พอมาผ่านไปอ่าหนูไม่สบายเนะี่ยหลพอเขานอนก่อนโอเคมาก็ไม่ผ่านอะไรแล้วก็ง่วงไม่ต้องกลัวนะก็ก็นอนก็รู้ว่าอยู่ไม่สบายนะแก็ทาต่อโอเคนะ ปัญหาเกินสามพอบอกให้คนละ ข, อข้อแค่นั้นเองนะเอาต่อไปยุงต่อไปให<ช>้มีเอายอไปช่วยตอนไหนยงชุลีออเลยเ น, นื้อไปสออารมณ์ที่กุติเลยจะได้สอบสบอให้อยูอ่ใครอยู่มาแไม่สอบอารมณ์กุติจะได้สอบอารมณ์คนคนสอบเสนอแล้วเป็นยังไงดีขึ้นใช่ไมดีค่ะดีขึ้นดีขึ้นเลยอ๋ออ๋อโอกาสก็ดี อ๋อแล้วความรู้สึกตัวชัดเจนไหมความรู้สึกตัวกับทุกขเวทนาเห็นสองอย่างชัดไหมแก่แก้ไขมันได้นะคือทุกต้องแก้แกทางกายในต้องแก้ไขต้องบําบัดไปแต่ในกรณีที่เราไม่แก้ไขไม่บําบัดเราต้องการศึกษาต้องการเรียนรู้จากมันเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่ต้องการเอามันเป็นตัวศึกษาเรียนรู้เราต้องบําบัดไปไม่จำเป็นต้องบีบให้มันบีบคั้นร่างกายให้ลําบาก นะเพราะว่าเวทนาต้องเบาบางเสมอแต่ก็ไม่ถึงกับติดสุขเวทนานะเพียงแต่ว่าไม่ให้เป็อุบสักต่อาการภาวนาเท่านั้นเองอ๋อเลยอ๋อมาใช้มาสึกยิม้มก็เรามีปิติในในลึกๆเันเนากะก็ดีมันก็จะเป็นกำลังนะแค่นั้นนะเอาต่อไปโอ้ไนวาไงหลว่อไปแล้วอารย์แล้วนะโอเคอาผ่านไปเอายมถัดไปมีอะไร สงสัยไงวันนี้อ๋อแต่เออก็ไม่ใช่เดินผิดแล้วมาสังเกตแล้วหน้าปวดหัวเหมือนกันนายโยมนะเ <c oughs> พราะอะไรบอกให้ทําเร็วขนาดนายโยมก็ยังทําช้าอยู่เนี่นะแล้วการสะกดตัวเองอไงพอโยมเคยทําหนอมาใช่ไหม <c oughs> น่าจะทําหนอมาน่ะเห็นยก ม, มือแ ย, ย่ช้าอมาบอกทําไวๆหน่ะก็ยังช้าอยู่ปล่อยให้ปวดหัวไปเร็วนั่น <c oughs> จะได้ให้ทุกสอนเราอาจารย์สอนไม่าให้ทุกสอนเราดีกว่เพราะนั้นอย่าไปสะกดจิตตัวเองอย่าไปบังคับตัวเองทําแบบธรรมชาตินี่แหละแต่ให้สังเกตธรรมชาติเพราะร่างกายของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้จิตไปบังคับเขาให้เป็นเป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยร่างกายก็จะถูกเบียดเบีย د. นนะถ้าสมมุติว่าเราทําช้าหรือกดเก่งเพื่งจ้องเนี่ยเราก็จะไปมุ่งหวังจะเอาอะไรบางอย่างจากมันใช่ไหม มันก็จะตั้งใจเรื่อุปทานแต่ถ้าหากว่าเราทำไปตามธรรมชาติเนี่ยเร็วก็รัวเร็วช้าก็รัวช้าแล้วก็ทำร่างกายให้ใหปลดปลงให้สบายไม่ไม่บังคับไม่กลิง g ไม่เพ่งไม่จ้องทาไปตามธรรมชาติแล้วก็มีความสังเกตและมัตระวังอยู่ในเทียนะทำปกตินี่แหละมันก็จะผ่อนคลายพ่อมาบอกตั้งแต่วันแรกแล้วว่ า, าทาด้วยที่ถูกต้องคือหนึ่ง รู้สึกตัวสองผ่อนคลายสามนุ่มนวล 4. อดทน p a t i e n t g e n t l y s o f t l y r e l a x i n g l y m i n d f u l l y นะวันแรกแล้วนะแล้วก็จะทำให้ทำแล้วมันจะสบายเพราะนั้นเวลาทำแล้วรู้สึกมันตึงมันเครียดก็โปรดได้นึกถึงว่าเอะเราผ่อนคลายหรือเปล่าทีเ่เรารู้สึกตัวชัดเจนหรือเปล่า เออเรานุ่มวนวลหรือเป่าในการทําเอะเรารู้สึกว่าอมันอิสระหรือเปล่าฟรีดีหรือเปล่านะให้ด้วยศพด้วยด้วยคําพูดเหล่านี้นะถ้าจุดไหนที่มันรู้สึกมันเกิดเกิงเพ่งเชื่อมไปแสดงว่าเออมันอาจะผิดกติกาตรงนี้แล้วคอยแก้ไปนะรู้สึกแก้แล้วมันไม่ตกก็เดินตามหาอาจารย์หน่อย <c oughs> เอาต่อไปน้าถามอีกครั้งปวดถามอีกครั้งอา่าใช่ตรง อาทุกขมสุขเนี่ยมันจะเป็นตอนที่เราปฏิญาบทนะไม่ชัดตรงนั้นก็แสดงว่าคุณพ่จิตสังเกตได้ได้ค่อนข้างละเอียดนะเห็นขั้นตอนเออทุกข์มันผ่านไปมันเสื่ยนิดนึงอาทุกข์มสุขปรากฏแล้วก็เริ่มสบายแล้วสักพมันก็เริ่มหนักหน่วงขึ้นอีกแล้วแ็่จะวนไปอย่างเนี้ยจิตของเรามันจะมาปัจจุบันได้ง่ายเพรวันนี้ตัวที่ให้มาสนใจเวทนาเนี่ยเพราะมันเป็น อาการของรูปพิสเป็นประจำเป็นเจ้าเรือนถ้าจิตของเรามาสนใจดูแลและเอียดมันในลักษณะแยกออกว่าอันนี้คือคื อ, ค, อคือเวทนาที่มันคือความรู้สึกนะสามารถแยกออกว่าอันนี้คือรูปนะมันไม่ใช่เราแล้วตัวผู้สังเกตเนี่ยคือตัวรู้เนี่ยเป็นผู้สังเกตเห็นชัดอยู่ลักษณะเงี้ยเราจะป้องกันเวทนาทางกายเนี่ยไม่เข้าไปเบียดเบียนทางจิต แต่ถ้าหากว่าตรงนี้ไม่ชัดเนี่ยตัวเวทนาทางกายมันก็จะเข้าไปบีบคั้นทางจิตตัวนี้ต้องให้ชัดก่อนนะถ้าสมมุติเรามาเล่นอาเวทนาเป็นอารมณ์นะถ้าหากว่าไม่ชัดตรงเนี้ยเราก็จะเกิดความเรียวอะไร ง, งุดหงิบได้ง่ายเพราะว่าบางทีทุกเวทนาทางกายมันก็ซึมเข้าไปสู่จิตโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการสังเกตตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราทําได้ดีก็จะเป็นผลการปฏิบัติได้เร็วมาก แต่ถ้าทําตรงนี้ผิดพลาดเนี่ยโอกาสที่เราจะาเข้าไปติดอารมณ์ก็ง่ายได้เหมือนกันอันนี้ได้ได้พิจารณาให้ดีนะเพราะฉะนั้นสังเกตตรวจวสอบให้ดีว่าอาการจะพลิกจะเปลี่ยนนะให้ตรวจสอบว่ามันเป็นอาการของรูปจริงๆไหมหรือว่าเราเรารู้สึกเปลี่ยนด้วยความหมุนห ง, งิดรําคาญเปลี่ยนด้วยความไม่พอใจนะหรือเปลี่ยนด้วยความสังเกต ด, ด้วยจิตซื่อๆตร ง, ตร ง, ตรงๆเฉยๆสังเกตรงให้ดี แล้วการปฏิบัติมันก็จะอ่าเห็นได้ละเอียดเห็นได้ลึลลขึ้นเรื่อยๆนะอาต่อไปอ๋ดีกว่ามื่าแน่นอนต้องนี้พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้แนะ่เพราะอะไรเพราะทําแล้วมันก็จะกําลังของสติกําลังของสมาธิมากขึ้นนะมันก็จะไปกําจัดเวทนาต่างๆของกายกําจัดทําให้นิ้มวนต่างๆเบาลงอันนี้นก็ถูกทางแล้วแต่เพียงแต่ว่าให้ รู้เท่าทันทุกเวทนารู้เท่าทันอาการของจิตต่างๆให้ชัดๆเท่านั้นแหละมันจะเบาขึ้นเรื่อยๆตามตามกฎของธรรมนะอ่าต่อไปอืม น, นิวรณ์<อ>ที่เป็นสว่วนใหญ่นิวรณ์เป็นนิวรณ์ตัวไหนอ่าแล้วเห็นมันเกิดขึ้นปุ๊บเราก็เปลี่ยนยาหมดเลยอย่างเงี้ยถูกต้องอ๋อถ้าเปลี่ยนไปทําให้นิวรณ์มันหายได้ก็ควรจะเปลี่ยนเลยไม่คนจะเก็บไว้เพราะว่านิวรณ์มันเป็นอากุศลธรรม การมีสติแล้วเปลี่ยนก็อุสรธรรมก็ เ, เกิดอิวอนตัวนั้นก็หายไปก็แสดงว่าตัวสติที่เข้ามาแก้ตัวนั้นนะมันก็มีกําลังทำให้อิวอนหายแต่บางตัวเปลี่ยนแล้วมันก็ไม่หายก็มีใช่ไหมกลับมาใหม่อ่าต้องเปลี่ย น, ลยนสลับคือในช่วงแรกเนี่ยตัวสติสมาธิของเรากําลังมันยังไม่พอมันก็ต้องอาศัยบทการปึกบทเข้ามาช่วยพอบ่อยเข้าบ่อยเ ข, ข้ากําลังสติสมาธิมันเพียงพอ พวนิวรณ์และเวทนาต่างๆก็ไม่ค่อยแรงไม่ค่อยจัดเท่าไหร่เราก็สามารถที่จ ะ, ะดึงยาวได้โดยที่นิวรณ์ไม่ลดก็ต้องต้องคอยศึกษาคอยสังเกตนะว่าตัวการปรับเปลี่ยนบ่อ ย, อยๆเนี่ยทำให้เราอาการของกายก็ดีอาการของจิตเบาสบายขึ้นไหมถ้าเบาสบายขึ้นเราก็แก้ถูกเหตุละแต่ถ้าเอปรับเปลี่ยนแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่แสดงว่ามีอะไรผิดพลาดสักอย่างนะคอยตรวจสอ บ, อบดูซ่อมดูเราผิดพลาดตรงไหนนะ เังนั้นตัวการปฏิบัติคือตัวโยนิโสมนสิการคือตัวละเอียดถีท่ทวนในการสํำรวจตรวจสอบการเปลี่ยนิบทที่เราเปลี่ยนนั้นเป็นไงชัดเจนทุกขั้นตอนไหมเปลี่ยนไปแล้วได้เห็นอาการทุกขเวทนาต่างๆมันหายไปแล้วสุขเวทนาที่ปรากฏเห็นมันชัดไหมการเกิดขึ้นดั้งอยู่ดับไปของเวทนาต่างๆเนี่ยเห็นกระบวนการที่มันเกิดมันดับอย่างเงี้ยตัวคุณภาพของสติสมาธิที่เกิดขึ้นตรงนั้นอะ่ะมันเข้มแข็ง มันก็จะเกิดความเบาได้ไวยวรนที่แก้ได้แล้วมันก็จะไม่กลับมาทุกเวทนาก็จะเบาบางถ้าเราแก้ถูกเหตุนะดัง น, นั้นการตรวจสอบความละเอียดถี่ถวนในการปรับเปลี่ยนนิบบทเป็นส่วนสําคัญเราต้องซักซ้อมดูบ่อยๆน ะ, ะมันเกิดทักษะเอาต่อไปปําเปลี่ยนนิบบทที่ที่ใช้อยู่นะัไมใช้บทนั่งหรือบทเดินนั่งใช่ไหม ลักษณะถ้าเปลี่ยนในบทนั่งบนน่อยๆแล้วอาการดังกล่าวมันไม่เปลี่ยนไปหรือมันไม่เบาลงให้เปลี่ยนเป็นเดินไปเลยเดินยาวสักพักหนึ่งนะมันก็การเดินในการตื่นตัวมันก็จะมากกว่าความเบาเวทนาต่างๆมันก็จะเบากว่าการนั่งมันก็สามารถแก้ไขตัวนั้นได้นะการเดินหรือเดินเดินก้าวหน้าเดินถอยหลังเดินช้าเดินเร็วสลับกันหลายๆทางเดี๋ยวมันก็ตื่นตั ว, ว ก, ก็เริ่มใหม่ บางคนเดินในห้องเดินในที่เก็บอารมณ์เนี่ยมันก็ยังไม่ตื่นมาแนะนำให้เดินมาเดินนอกห้องเช้าพักหนึ่งเดินไปไหนก็ได้กลับมาเพราะนั้นวิธีแก้เนี่ยถ้าแก้คือต้องการสนับสนุนคนที่ปฏิบัติด้วยการปุ้งที่จะแก้ปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างขยันแก้แต่เห็นหลายคนนะไม่ชอบแก้ปัญหา นั่งสู้นั่งซึมอยู่กับมันอย่างนั้นแหละชั่วตอแรกๆขยันแก้อยู่ในงานครับันคีดเกี่ยแก้ก็ปล่อยมันเลยนั่งง่วงนั่งซึมนั่งหาวนั่งเอรู้สึกว่ามันมันมันมันซึมเร็วขึ้นอะคะเปลี่ยนป้นมันซึมอยู่แล้วนะถ้าอย่างนั้นก็ให้เปลี่ยนอบุไปไปอีกทางหนึ่งเลยเมื่อเดินทำหรือยืนทำหรือแม้กระทั่งเอ้ยมันซึมแสดมันง่วงขอนอนทำหน่อยเป็นไง ก็นอนทำก็ได้หลับก็หลับก็ไม่เป็นไรกล้าได้กล้าเสียนะ อ, อ, อ๋อเขหลับยังมีสติไงก็าไม่คาดหลับยังมีสติคือตั้งใจหลับเลยนะเอามาก็อย่างนั้นนะเวลารู้สึกเพลียมาขาตั้งใจหลับสักหานาทีอ๋อตั้งใจหลับสักสิบนาทีพ อ, อตื่นขึ้นมาก็สดชื่นดีกว่าจะง่วงเหงาง่งวงเหงาเหงี ย, ยนตั้งไปชั่วโมงใช่ไหมดีกว่าหลับไปสักห้านาทีแล้วตื่นขึ้นมาก็สดชื่นอย่างนั้นจะดีฝ่า นะอันนี้ก็มีวิธีการอย่างไรก็ได้แก้ไขเราเจตนาแก้ไขเราไม่ได้เจตนาตอบสนองกิเลส น, นะต้องให้ชั่นในเจตนาด้วยนะเอาต่อไปถ้าสมมุติว่านั่งเนี่ยสติตั้งมั่นได้ดีกว่าแต่มีทุกขเวทนาเป็นตัวรบกวนใช่ไหมเราก็ใช้บทนั่งแต่ว่าเราขยันแก้ทุกขเวทนาเอาถ้าเดินเนี่ยมันสติอาจจะตั้งมันได้ยากเพราะว่ามัน มันไม่กระชับบางทีมันก็จะคิดไปได้เร็วคิดไปได้ง่ายสไลด์ออกไปแป๊บๆป๊บดังนั้นเพราะมันหลวมๆดังนั้นรู้สึกว่านั่งแล้วสติตั้งมั่นได้เร็วกว่าแล้วพอมีอารมณ์ค่อนข้างชัดเจนหนักแน่นแต่ว่าเราไม่ค่อยทนต่อทุกเวทนาเราก็ขยันเปลี่ยนเอาแต่เปลี่ยนอย่างรู้สึกตัวชัดๆก็ดูความพร้อมของรูปของกายของเราเป็นระยะนะ บางระยะบางช่วงเนี่ยรู้สึกว่าทําแล้วไม่ค่อยมีนิวรนความจริงนิวรนกับเวทนามันก็เป็นเรื่องเดียวกันเนะแต่ว่าถ้าเป็นเวทนาที่หนักๆทั้งภายในภายนอกเพราะว่าเป็นเวทนาทั้งกายทั้งจิตร่วมกันที่เป็นนิวรนนะแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องทุกขเวทนาทางกายเรามักจะพูดถึงเรื่องเวทนางกายส่วนเดียวแต่ถ้ามีเวทนาทางจิตร่วมด้วยเวทนาตัวนั้นก็ก็ให้เกิดเป็นนิวรนได้มันเกิดทั้งร่างกายทั้งกายทั้งรูปทั้งนามร่วมกัน นิวรณ์ถ้าเกิดทางกายอย่างเดียวเขาเรียกทุกขเวทนาทางกายดังนั้นก็ต้องสังเก ต, ตให้ ai, ชัดเจนว่าถ้าตัวทุกขเวทนาทางกายแก้ไขได้ง่ายกว่าแต่ท okay. ุกขเวททางจิตร่วมนั้นแก้ไขค่อนข้างยากแต่แก่นิวรณ์นะดังนั้นก็ให้สํารวจให้ชัดว่าเออท่า น, นั่งเนี่ยมันมีเวทนาทางจิตร่วมด้วยคือเป็นนิวรณ์รูปแบบต่างๆแล้วก็ควรจะเปลี่ยนเป็นเดินสักพักก่อนจนแน่ใจว่าตัว นิวรณ์ทางจิตเนี่ยไม่เข้ามาร่วมด้วยมันนั่งไปนานๆมันมีแต่ผวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวอยู่เดี๋ยวแก้ไขได้ง่ายแต่ถ้ามีวรเข้ามาร่วมด้วยเราไม่แน่ใจตรงนั้นก็มาเดินให้เห็นชัดๆก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถแยกคลายในการแยกระหว่างเวทนากายและเวทนาจิตออกจากกันได้ก็ควรจะพยายามตรงนั้นกูดูก่อนแล้วมันก็จะเห็นชัดแก้ไขนิวณ์ได้ง่ายาก็ลองลองลองลอ ง, ลองสำรวจดูว่าเร า, าแก้ไขไหนได้ง่ายกว่า ไหนความมันก็ต้องเจอทั้งสองทางอใช่ไหมเวลาเดินก็เจอความคิดเวลานั่งก็เจอความง่วงระหว่างความง่วงความคิดอะไแก้ได้ง่ายกว่าก็สู้อันนั้นนะอันนี้ก็วิธีการก็ให้ขยันปรับขยันแก้แล้วกันเอามาเน้นตรงนั้นถ้าคนไหนขยันปรับขยันแก้ด้วยวิธีการเนี้มันจะได้ผลไปแต่คนส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยขยันนะคือขยันทําำแต่ไม่ค่อยขยันแก้สังเกตดูแล้วช่วงแรกขยันแก้อยู่นานไปชักเบื่อชักเบอร์ชักเออออก ไปอยู่กับเวทนาเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจุดเนี้ขยัยนแก้ขยันปรับไปเรื่อยๆแล้วก็จ ะ, ะสดชื่นได้ไหวเพราะว่าเวทนาต่างๆทางกายเนี่ยพอปรับไปปรมามมันก็ค่อยเบาถ้าเสรอำนาจของสติสมัสมุทิเข้มแข็งขึ้นมาเวทนาทางกายก็เบาเวทนาทางจิตก็เบามันก็เกิดได้อารมณ์แต่ถ้าหากว่าคนไหนชอบแช่ชอบสงบชอ บ, ชอบนิ่งอยู่ตรงนั้นโดยที่ไม่แก้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้อารมณ์เท่าไหร่ เพราะว่าไปอยู่กับเวทนาทั้งหมดเอาต่อไปก็ความจริงการปรับใช้ในชีวิตจริงหรือได้หรือไม่เนะอยู่ที่ว่าเราทําตรงนี้ว่าเราปรับไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเราณนะขนาดปฏิบัติเนี่ยปรับได้ดีไหมถ้าเราปรับตรงนี้ได้ดีเวลาไปใช้ชีวิตจระจำวันก็ปัญหาไม่เกิดแบบเดียวกันเลยแต่มันคนละอาการเท่านั้นเองนะเราในชีวิตประจำวันเราเจอปัญหามากมายใช่ไหมแต่ที่นี่เราก็เจออันตรามากกัน ปัญหาง่วงปัญหาขี้เกียจปัญหาเบือ่อปัญหาฟาุ้งซ่านปัญหาลังเลปัญหาทุกขเวทนาต่างๆรวมเราเนี่ยนะเราก็แก้ตรงนี้ให้เป็นก่อนพอแก้ตรงนี้เป็นมันเกิดทักษะแบบนี้พอไปทํางานปั๊มเนี่ยมันก็เป็นในรูปแบบเดียวกันแหละแต่มันคนละเรื่องแต่ว่าอาการของปัญหาก็คือตัวขัดข้องตัวยุ่งยากตัวไม่สบายมันก็เกิดแบบเดียวกันกับที่เวทนาขเขาเรียกทุกขเวทนานะเราฝึกแก้ทุกขเวทนาตรงนี้เป็น พอในการงานก็มีทุกเวลนาแบบเดียวกันแต่ต่างรูปแบบเท่านั้นเองอาการอันเดียวกันแต่ต่างรูปแบบมันก็จะเกิดการประยุกต์ใช้โดยอัตโนมัติของมันเองนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราปฏิบัติที่นี่บางครั้งหลวงพ่อก็สังเกตเธอปฏิบัติปฏบัติครั้งแรกทําท่าจะขึ้นขังขังเอาพราะวักพักเบื่อเบ้อไปแล้วอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยนะแห้งไปเฉยๆอย่างเงี้ยนะอันนี้แสดง เออมันแหงแ้งเวลนาะต้องขยักกระตุ้นเนือกันใหม่ก็คอยสังเกตนะคอยสังเกตศึกษาไปเรื่อยๆโดยเฉพาะคนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยทุกเวทนาจะสูงทีเดียวนะนนเพรานั้นพอแบกน้ำหนักตัวเองหลายกิโลเพราะนั้นนั่งไปนั่งมามันสู้น้าหนักตัวเองไม่ไหวก็ต้องอาศัยเปลี่ยนอีบดบ่อยๆเอานะมันก็จะทำให้เราแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นยมฤทธ์ว่าไง ค้างเพราะว่าหลับไหนใช่ป่าหลับการอากาศหรือว่าหลับการอากาศดมือค้างเลยหลับในแล้วก็มันก็บางทีเราเข้าไปสู่สมาธิเดยนไม่รู้ตัวนะคถ้าว่าลืมตาเนี่ยเราก็สู่สมาธิได้สมาธิขั้นลึกได้ถ้าจิตแล้วนิ่งเนี่ยมันก็ค้างนีไปแล้วก็สังเกตให้ดี เพราะเวลาอามาสังเกตยมก็คือยมคล้ายๆว่าทั้งใจสูงมันเข้าสมาธิได้ง่ายเพราะฉะนั้นอาการาที่ติดความสงบหรือติดความสุขเนี่ยยังมีสูงมากอยู่เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ออกมาอยู่กับตัวรู้สึกตัวชัดๆเลยนะการทำไว้ทาให้มันเป็นธรรมชาติเนี่ยแล้วก็สมาธิแบบที่เราเจริญสติแบบเนี้เราไม่ต้องการสมาธิลึกมากแบบต้องการสมาธิธรรมดานี่แหละเพราะว่า ต้องการที่ให้รู้ตื่นเบิกบานนะมันมันมันปรากฏชัดรู้เท่ารู้ทันรู้อะไรต่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองรอบๆเนี่ย น, นะว่าอาการปกติเรียกว่าสติเราเน้นที่สติสัมปชัญญะเราไม่ได้เน้นความลึกของสมาธิเท่าไหร่นะเพราะงี้อาการที่ค้างก็คือหลงเข้าไปสู่สมาธินั่นเองนะหรือเป็นผวางข้จิตก็ได้ไม่ใช่บางทีมัไม่ใช่สมาธิตกไปเป็นในผวางเลยึ้นหลับคึ่งตื่นในทรังนั้นนะสังเกตให้ดี นั่นในสมัยว่าสงสัยเป็นลักษณะเคลิ้มมากกว่าสมาธิเดี๋ยวนี้เ <accent> ขาไปอยู e> ่อาการหเราสมาธิที่ขาดสติก็เป็นการการเคลิ้มเลยเอนะาการสมาธิมันเกินกว่าสตินะเพราะฉะนั้นก็พยายามให้ชัดคือคืออย่าอยู่ในอาการเดียวนานเกินไปเพราะมันจะทําให้เกิดได้ทั้งสองอย่างไม่เข้าสู่สมาธิลึกก็คือเข้าสู่อาการเคลิ้มฝันไปเลยก็ต้องเปลี่ยนเพราฉะนั้นการปรับเปลี่ยนนี้บท คำจัดเวทนาบ่อยๆทั้งสุขทั้งทุกขนะ์เนี่ยเป็นผลดีแต่ว่าต้องทําด้วยความรู้สึกตัวชัดๆนะแต่ถ้าทําด้วยความรู้สึกตัวไม่ชัดบางทีเราอาจจะติดสุขเวทนาทนต่อทุกเวทนาไม่ได้ถึงเปลี่ยนบ่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ดีนะแต่ถ้าหากว่าเราอาศัยการเปลี่ยนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการรู้ขั้นตอนของอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของทุกเวทนาอันนี้จะควรเปลี่ยนเพื่อเป็นอันนี้มิตรของการปฏิบัตินะ เอาทางฝ่ายผู้ชายว่าไงยังคนไหนยังสงสัยต่อเมื่อไม่กี้ไม่เห็นถามสักคนเลยฮะมีไหมไม่มีนะเอาโ ต, โตโตว่าไงเลอะหัวปักปากืนหลายรอบครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้บนอะกความจริงังกาแต่ความจริงแล้วคุณอ ะ, อะไรวุฒินันเนาะลงทุนสูงฮนะอุสาเขาเรถมาเจอดด้วยนะอำนา จ, จเจริญ มาถึงที่นี้ลวงทางหลายที่ก็ลงทุนสูงลงทุนมาก็ดีใจด้วยนะคือคือช่วงเช้าหลังจากฟังธทำแล้วนะคุณวิธีนั้นก็ตาเปิดนะตามที่มารายงานอารมณ์ อ, อ่อตาเปิดละเพราะฉะนั้นก็ก็สิ่งที่คุณรายงานมานะเป็นอาการของาการรู้รูปนามนะเพราะฉะนั้นต้องพยายามประคองแล้วก็ทําความเข้าใจอารมณ์เหล่านี้ไปเรื่อยๆไว้นะแค่วันเดียวนะเก็ตเลย แต่ว่าต้องอคอยทําความเพียรตัวเนื่องให้ชัดชัดแล้วก็สังเกตให้ให้ดีว่าคือตอนนี้แยกให้เห็นระหว่างความคิดกับสติมันตีคู่กันไปนะอาตีคู่กันไปความคิดมันก็คิดแต่ว่าวรู้ก็รู้อยู่นั่นแหละแต่คุณไม่ได้เข้าไปในมันได้เลยอแต่ว่าลักษณะอย่างนี้ต้องสังเกตไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันชัดขึ้นชัดขึ้นทําทความเพียรได้วันนี้ไม่ไม่งงไ ม, งงไม่นั้นเลยใช่ไหมอันนี้ก็ใช้ได้ทีเดียวมุทนาเลย ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการลักษณะการสอบอลมนะในลักษณะนี้ตอนบางเย็นเราก็จะทำแบบนี้แต่ช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่ให้ข้อคิดแล้วก็ราย ล, ละเอียดเกี่ยวกับหลักการการเจริญสติแบบเนี้ว่ามันควจะไปในทางไหนรายละเอียดเป็นอย่างไรเพราะฉะในช่วงตอนกลางวันเวลาไปทําเนี่ยถ้าจะฟุ้งซ่านก็กรุณาอย่าฟุ้งซ่านในเรื่องอื่น ฟูง้างานในเรื่องที่ฟังนั่นแหละมันจะได้เอาไปแก้ไขปัญหาบางอย่างได้นะฮะเออเปลี่ยนใจแล้โทษเวลาวิวรันมาแรงๆแลนะเมือนไม่่หนูแกผิดวิธีหรอเ่าแมันมันมาแรงๆมันเดิม <c oughs> นมันไม่หายมันมั้งมันยอยู่ก็เลยขึ้นมาแบบเหมือนแบบยื้เส้ยื้ส่สายยื้ตัวอะไรอย่างเงี้ยจะมันเหมือน เหมือนโตมันหลุดอะคะ่ะ ม, มันหมือนสุดท้ายเราต้องทําใหม่หมดเลยเหมือนม่นหายได้หมดเลยเลยนะไงอย่างนี้ดูว่าอันนั้นถือว่าอาการดีนะคือหมายหมายถึงว่าการเริ่มต้นใหม่เสมอเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วรู้สึกว่าเออที่แล้วมาไม่คุ้มท่าฉันเริ่มต้นใหม่การทําต่อรู ป, ประธรรมก็นํามาทำเนี่ยมันต่างกันตรงนี้การทําต่อรูปปธรรมเนี่ยการเริ่มต้นใหม่ถือว่าเสียเวลาเสียเข้าเสียของเสีย ทุนเสียรอนอะไรมากมายในเริ่มต้นใหม่แต่นม้มาทําเนี่ยการเริ่มต้นใหม่เสมอเนี่ยมันเป็นการก้าวหน้าไปอีกก้าวหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าที่แล้วมาไม่เข้าท่าเริ่มต้นใหม่เลยถ้าเรารู้ว่าเราเริ่มต้นใหม่นั้นมันถูกแล้วนะและสิ่งที่ผ่านไปคือผ่านไปไม่ต้องมาคํานึงเราตั้งต้นใหม่ให้มีสติใหม่แล้วตั้งบ่อยๆอย่างเงี้ยสติมันก็จะเข้มแข็งด้วไว นะแต่ถ้าหากว่าเราเอาไปเปรียบเทียบกับอดีตมันผ่านมามันแก้ถูกหรือแก้ผิดเนี่ยถ้าหากว่าทิ้งไปได้ทิ้งไปเลยไอ้ที่แล้วมานะตั้งต้นใหม่ตั้งสติใหม่แล้วก็เรียบเรียงเข้าไปใหม่อย่างเนี้ยทำอย่างนี้บ่อยๆจิตของเรามันก็จะตื่นตัวได้ไหวการตั้งต้นใหม่หมายถึงการตื่นตัวนะเพราะฉะนั้นตัวไอ้ลักษณะอย่างเนี้ยมันจะเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของเรา อย่าลืมว่าเราสติยังไม่สมบูรณ์ความผิดพลาดมันมีบ่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นแก้ไขใหม่เสมอเนะี่ยมันเป็นการตั้งสติใหม่เสมอแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ดีนะ น, นี่เป็นตัวอย่างการแก้อารมณ์ก็เหมือนกันถ้าหากว่ารู้สึกเออที่แล้วมาแล้วก็ฉันตั้งสติใหม่เริ่มต้นใหม่ก็แล้วกันทั้งมันก็จะใหม่แล้วมันก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นในรายละเอียดตรงนี้ไปสังเกตดูว่าการเริ่ม ต้นการตั้งต้นใหม่ของเราเนี่ยเพื่อที่จะทิ้งไออาการเก่เาๆที่เราเห็นว่ามันมันไม่ดีหรือไม่เข้าท่าเนี่นะแล้วมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็เรียบเรียงทําให้ดีาการเริเร่มต้นใหม่แต่ครั้งมันหมายถึงว่าการเรียบเรียงใหม่การจัดใหม่มันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาทางด้านจิตใจการเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าหากว่าการแก้ปัญหาด้านวัตถกุการเริ่มต้นใหม่อาจจะไม่ดีซ้าาําซากเหมือนสอบตกกันนะ ก็แค่นี้เ น, นาะโอเคุทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่นำไปพิจารณาแก้ไขเพื่อให้เกิดความเพียบพร้อมและสมบูรณ์ในการปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็ความตั้งใจอันนี้จงเป็นเหตุประจัจให้ได้ดวงตาเห็นธรรมในเวลานใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเือ